สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อลุนปราบเสือสมิงด้วยหุ่นพยนยักษ์ในครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อลุนทุดงผ่านมาถึงป่าอาถรร์แห่งใหม่ภูมิเทวดาเจ้าที่ได้แสดงตนปรากฏในนิมิตกรรมฐานเพื่อบอกกับหลวงพ่อรุนว่าเขตป่านี้อันตรายมาก ชุกชุมไปด้วยพูดผีปีศาจและมีเสือสมิงสามตัวอยู่หากินถ้าหลวงพ่อจะทุดงผ่านไปจะต้องระวังตัวทุกฝีก้าวจะประมาทมิได้กล่าวแล้วภูมิเทวดาจึงหายไปในระหว่างช่วงสามคืนแรกที่หลวงพ่อลุนปักกรดอยู่บริเวณป่านี้ท่านมีได้พบเสือสมิงแต่อย่างใด คงเจอแต่วิญญาณของผู้ทุกยากมิได้ไปผุดไปเกิดมาขอส่วนบุญเป็นจำนวนมากในคืนที่สอันตรายที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้บังเกิดขึ้นกับหลวงพ่อลุนท่านเล่าว่าประมาณยามสองห็นจะได้ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในกรดนั้นจูๆ่ๆท่านก็ได้ยินเสียงชายผู้หนึ่งร้องปลุกท่านว่าหลวงพ่อตื่นเร็วเสือมาแล้ว ถึงสมครั้งเมื่อท่านตื่นขึ้นสัญชาตญาณของพระป่าได้ลุกโจนสว่างขึ้นทันทีเพราะขณะนั้นท่านได้กลิ่นสาบของเสือคลุ้งเต็มบริเวณที่ปักกรดเต็มไปหมดหลวงพ่อลุนรีบเข้าสมาธิแผ่เมตตายอย่างไม่รอช้าแต่เสียงของชายหนุ่มผู้หวังดีกลับดังขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้เตือนว่า ไม่มีประโยชน์หลอกหลวงพ่อได้รีบบริกรรมคาถาป้องกันตัวเธอะผมคุ้มครองหลวงพ่อได้อีกไม่นานหรอกสินเสียงชายหนุ่มผู้วงดีหรืออาจจะเป็นเสียงของเหล่าภูมิเทวดาแจ้งเหตุเสียงอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งระวังตัวสมิงมาแล้วเร็วทันทีกว่าที่ใครจะตั้งตัวเสียงฝีเท้าและเสียงคำรนของเสือ ได้เกิดขึ้นบริเวณรอบๆกรดของหลวงพ่อลุนอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยและในที่สุดการจู่โจมจึงเริ่มขึ้นใช้กรสินไฟปราบเสือสมิงเมื่อเสือลายพาดกอตัวหนึ่งขนาดใหญ่พอๆกับลูกหมาแล่คลอดได้กระโจนวิ่งตรงเข้ามาในกรดแต่เมื่อมันเข้ามาใกล้กองไฟที่หลวงพ่อลุนก่อไว แสงไฟเกิดลูกสว่างร้อนวาบดังพลึบขึ้นมาทันทีขณะนั้นหลวงพ่อลุนกำลังจะเญนเตโชกระสินหรือทำสมาธิให้เกิดเปลวไฟขึ้นมาเต็มที่ซึ่งด้วยอำนาจวิชากระสินไฟธาตุตามตำรับสายสำเร็จลุนแล้วเมื่อสมาธิแก่กล้าอะไรก็ฝ่าแสงตะบะมารมีแห่งกระสินไฟเข้ามาไม่ได้ ทำให้เจ้าสมิงพลายลาดกรอนตัวใหญ่ถึงกับชะ ง, งักทันทีตามธรรมดาแล้วสัตว์ป่ายอมต้องกลัวแสงไฟแต่เสือสมิงที่ภูเขาควายนี้กระหายเลือดเกินกว่าที่แสงไฟจะทำให้มันกลัวได้ไม่นานจู่ๆเสือลายพาดกรอนอีกตัวหนึ่งก็กระโจนเข้ามาทางด้านหลังกรดของหลวงพอ่อรุนอีกครั้งแต่มันก็ต้องชะ ง, งักลงไปอีก เมื่อเปลวไฟจากกองเพลิงที่หลวงพอ่อรุนสุมไว้ลุกโชนขึ้นมาอย่างแรงจนทำให้เกิดสะเก็ดฐานดังเปรียปร้ยะเพียงเท่านี้ก็สามารถหยุดการจู่โจมของเสือสมิงแห่งผู้ขอควายลงได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้มัจจุราชลายพาดก่อนเกิดความเกรงกลัวถึงขนาดนี้กลับเข้าป่าไปตามเดิมสัตว์มัจจุราชทั้งสองได้พยายามเดินไปรอบๆ บ, บริเวณกฎของพ่อลุน ผู้เขียนคาดว่ามันเข้ามาไม่ได้เพราะอํานาจกสินไฟบวกกับธาตุไฟที่กองไฟยังคงมีอยู่แต่ถ้าไฟหมอดบนไหลนั้นหมายถึงการจู่โจมอีกครั้งของเสือสมิงทั้งสองตัวในขณะที่กสินไฟของหลวงพ่อรุนซึ่งดํารงอํานาจอาถรรพ์คุ้มครองรักษาอยู่ที่กองเพลิงยังคงอยู่ทําให้รอบขอบเขตบริเวณกดของท่านเป็นเขตปลอดภัยแต่อํานาจความศักดิ์สิทธิ์นี้ คงอยู่ไม่ได้นานหรอกหากในใดที่ไฟมอดดับสิ้นนั่นคืออันตรายอีกครั้งที่จะเริ่มขึ้นหลวงพ่อลุนท่นทราบเหตุปัจจัยข้อนี้เป็นอย่างดีจึงถือโอกาสในช่วงที่ไฟยังติดอยู่นี้หยิบสิ่งวิเศษสิ่งหนึ่งของพระสงฆ์ขึ้นมาราธนานั่นก็คือผ้ารัดอกของท่านเองนำมาลงอักขระอย่างรวดเร็วและชนานาญจากนั้นจึงนาได้มาผูกให้เป็น5้าปลอก สำเร็จเป็นรูปคนจึงเสกเข็มเย็บจีวรด้วยคาถาอาวุธพระพุทธเจ้าเพื่อให้กลายเป็นอาวุธเตรียมทุกสิ่งอย่างพร้อมดีแล้วหลวงพ่อลุนท่านจึงใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่รวบรวมกำลังสมาธิทั้งหมดเท่าที่มีในตอนนี้บริกรรมคาถาตำรับวิชาผูกผุญพยนต์ขึ้นตัวหนึ่งจนกระทั่งบังเกิดนิมิตในกรรมฐานสาเร็จเป็นนักรบหนุ่มชะกัน ถือดาบแหลมยาวหนึ่งคนเมื่อสำเร็จดีแล้วหลวงพ่อลุนท่านจึงโยนหุ่นประยุนตัวนั้นออกไปนอกกรดแล้วบริกรรมคาถาสั่งว่าใ้ช่วยขับไล่เสือสมิงออกไปให้ไกลจากเขตนี้ทันทีที่หุ่นประยุนนั้นตกลงหลังกอหญ้าเสียงตึกตึกตักตักคล้ายการสู้รบจึงเริ่มเกิดขึ้นหลวงพ่อรุนท่านจึงเริ่มหลับตา บริกรรมหนุนถาดกรสินเข้าช่วยขุนพยนตร์ของท่านไม่นานเสียงร้องของเสือตัวหนึ่งได้หวยหวนขึ้นประหนึ่งว่ากําลังทรมานอย่างมากแต่ก่อนที่เสียงนั้นจะหายไปหลวงพ่อลุนก็รู้สึกเหมือนว่าถูกของหนักกระแทกเข้าที่ด้านกลางหลังอย่างแรงจนทําให้ท่านถึงกับเลือด ก, กําเดาออกทีเดียวนิมิตหมายเช่นนี้ หมายความว่าหุ่นยนต์ของท่านได้ถูกเสือสมิงทั้งสองตัวทำลายเสีแล้วแต่ด้วยหัวใจความเป็นพระป่ากรรมฐานความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยเท่านี้ไม่สามารถทําให้ท่านหวาดกลัวได้แม้แต่น้อยท่านถึงเริ่มลืมตาขึ้นใหม่อีกครั้งคราวนี้ท่านได้นําสิ่งของสําคัญอีกอย่างของพระป่ามาจบเหนือหัวด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วอธิษฐานว่า ข้าแต่พระคุณรันตนะไตยคุณพ่อคุณแม่และคุณอาจารย์ทุกองค์ข้าพเจ้าขอฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับท่านจากนั้นจึงอธิษฐานว่าอิมังสังฆติงอธิษฐานมิทุติยมปิอิมังสังฆติงอธิษฐานมิตติยมปิอิมังสังฆติงอธิษฐานมิจากนั้นจึงนำได้มาผูกให้เป็นห้าปลอกอีกครั้ง สำเร็จเป็นรูปคนตัวใหญ่จึงเริ่มบริกรรมพระคาถาผู้คุณพยนตร์อีกครั้งทันทีที่กระแสจิตของท่านได้เริ่มแผ่ออกไปทำให้เสือสมิงทั้งสองซึ่งตัวหนึ่งยังคงบาดเจ็บอยู่สัมผัสล่วงรู้ว่าหลวงพ่อลุนกำลังทำหุนพยนตร์ขึ้นอีกครั้งทำให้มันตัดสินใจหลบไปตั้งหลักก่อนเมื่อมจุราทั้งสองตัวถอยกลับไป มันได้นำพากลิ่นสาบกลับไปด้วยทั่วทั้งบริเวณกรดกลิ่นสาบเสือได้ค่อยๆจางลงจางลงและหายไปในที่สุดก็เป็นเวลาพอดีกับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าทอแสงขึ้นมามรณานุสติเกิดขึ้นในจิตของหลวงพ่อลุ่นทันทีหลวงพ่อลุ่นท่านคิดว่าความตายจะต้องพึงบังเกิดแก่เราอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ แต่วันนี้เรายังโชคดีอยู่เสียงภูมิเทวดาดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าพักผ่อนเถอะครับหลวงพ่อสว่างแล้วผมจะพาหลวงพ่อออกไปจากเขตนี้หลวงพ่อรุ่นท่านจึงล้มตัวลงนอนหลับทันทีด้วยความเหนื่อยอ่อนประมาณสายสายเห็นจะได้หลวงพ่อรุ่นท่านตื่นขึ้นมาก็พบกับชายชาวบ้านผู้หนึ่งหน้าตาดีแต่งตัวสะอาด นำอาหารมาถวายเพราะถวายแล้วก็ไม่รอรับพรกลาบลาท่านกลับไปเลยจึงไม่ได้คุยอะไรเมื่อหลวงพ่อฉันเสร็จท่านได้ตัดสินเก็บเครื่องอัฐบริขารต่างๆแล้วรีบเดินมุ่งหน้าหาทางออกจากเขตป่าอานานี้ทันทีหลังจากที่ท่านเดินล่วงเลยเวลามาจนกระทั่งเวลาเย็นปรากฏว่าสถานที่ที่ท่านตัดสินใจปักกรดนั้น ก็คือสถานที่ที่ท่านปลักกฎเมื่อคืนนี้เองจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหลวงพ่อลุนท่านตัดสินใจว่าจะขอสู้ตายภัยอำนาจมืดที่หมายเอาชีวิตของท่านอยู่ที่นี่จนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งในช่วงก่อนที่เวลาจะข้ามมืดหลวงพ่อลุนท่านได้ทำวัดเย็นจเจริญพระพุทธมนต์เต็มพุมความรู้ทั้งหมดเท่าที่ท่านท่องจาได้จากนั้น จึงนำฟืนไม้แห้งออกมาสมไฟไว้เป็นจำนวนมากเสร็จแล้วหลวงพอ่อรุนจึงนำผ้าสังฆิของท่านออกมาผูกได้ห้าเปลาะสำเร็จเป็นตัวคนแล้วบริกรรมภักคาถาผูกคุณพยนต์ครั้งนี้ท่านตัดสินใจผูกคุณพยนต์เป็นรูปยักษ์เท้าเวสุวรรณอย่างดีแล้วปลุกเสกเรื่อยมาไม่ยอมพักผ่อนจนกระทั่งถึงเวลาสองยามของค่าวันนั้น จูๆ่ๆฝนได้ตกลงมาอย่างหนักทำให้กองไฟที่ท่านสมไว้ดับลงสนิทแต่หลวงพ่อลูนก็ยังคงบริกรรมสมาธิต่ตอไปอย่างไม่ยอมหยุดจนกระทั่งเมื่อฝนหยุดตกได้ปรากฏพลานป่าผู้หนึ่งเนื้อตัวมีสภาพเต็มไปด้วยเลือดวิ่งหกล้มคลุกคลานแล้วจึงค่อยๆ ค, คลานเข้ามาปากร้องเสียงดังหมนหลวงพ่อครับช่วยผมด้วย หลวงพ่อช่วยผมทีเสือคลับเสือทําให้หลวงพ่อลุนลืมตาขึ้นภาพที่ท่านเห็นก่อให้เกิดความสลดใจอย่างมากท่านรีบลุกเดินออกมาจากกรดหมายตรงเข้ามาช่วยเหลือพลานป่าผูเขาไร้าทันทีแต่ก่อนที่หลวงพ่อลุนจะออกพ้นบริเวณนอกเขตกรดนั้น จ, จู่ๆได้บังเกิดลมบ้าหมูยางแรงพัดเอาผ้าสังกติที่ท่านปลุกเสกไว้ ปลวเข้าไปทับร่างของพลานผู้นั้นเสียงโหยหวนของพลานป่าได้เปลี่ยนไปในทันทีกลายเป็นเสียงร้องเจ็บปวดปางตายของเสือลายพลาดกรอตัวใหญ่ซึ่งกําลังสะบัดหัวอย่างแรงเพื่อให้ผ้าสังกติของหลวงพ่อลุนหลุดออกไปจากหัวของมันแต่ก็ปราประโยชน์ยิ่งมันแรงเท่าไหร่ผ้าสังกติผืนนั้นก็ไม่ยอมหลุด เหมือนปลาหนึ่งทากาวติดเอาไว้เมื่อหลวงพ่อลุนเห็นจะจากกับตาว่าพรานป่าได้กลายเป็นเสือไปแล้วท่านถึงกับยืยนตกตะลึงไปพักหนึ่งรีบนั่งสมาธิลงทันทีอย่างลืมตัวเพราะทําไปตามสัญชตาตญาณของพระป่ากรรมฐานจากนั้นคาถาบริกรรมปลุกคุณพยนต์ยักษ์เท้าเวสุวรรณถึงเริ่มดังขึ้น คำภาวนานี้ทําให้หลวงพ่อลุนได้สติทันจึงหยุดภาวนาเสียงดังกลับมาภาวนาจนบังเกิดสมาธิดิ่งลึกขึ้นมาทันทีปรากฏนิมิตเป็นรูปยักษ์หนึ่งตนกำลังต่อสู้อยู่กับเสือสามตัวอย่างพลวันแต่เสือตัวหนึ่งถูกยักษ์จับหักคอได้ก่อนจึงสิ้นใจลงขนาดที่เสือตัวแรกกาลังจะตายเสื อ, ออีกสองตัว กระโจนเข้ามารุมกัดที่แขนและขาของยักษ์ตนนั้นแต่ร่างกายของยักษ์แข็งปานหินเสือจึงกัดไม่เข้าแถมยังโดนยักษ์ง้างกระบองฟาดลงไปที่หัวเสืออย่างแรงทำให้เสือที่กัดยักษ์ตนนั้นขาดใจตายทันทีและก่อนที่อีกตัวหนึ่งจะหนีไปได้ยักษ์ตนนั้นแดกกระโดดขึ้นไปขี่หลังเสือและหักคอเสือทันที เสียงกระดูคอเสือนั้นลั่นดังกลึบครั้งเดียวสิ้นใจตายเมื่อเสือทั้งสามตนได้สินใจลงเพราะถูกยักษ์ฆ่าทุกอย่างก็สงบในลำดับต่อมายักษ์ได้หายตัวไปพร้อมกับกลิ่นสาบเสือหลวงพ่อลุนท่านจึงลืมตาขึ้นพบว่าเสือสามตัวนั้นได้หายไปแล้วคงเหลือแต่ผ้าสังกติของท่าน ที่ผูกไว้เป็นรูปผลพยนต์ตกอยู่เพียงอย่างเดียวหลวงพอ่อรุนท่านได้แต่สันนิษฐานว่าเสือทั้งสมตัวนั้นคงเป็นวิญญาณแน่มีเช่นนั้นถ้าเสือตายลงสบเสือต้องอยู่ให้เห็นแต่นี่เมื่อเสือตายลงไม่ปรากฏสิ่งใดให้เห็นเลยเหลือเพียงแต่ผ้าสังกติของท่านผืนเดียวเท่านั้นและเรื่องราวทั้งหมด ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ